จเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตเกิดมาย่อมกระเข้าไปด้วยความสมหวังและผิดหวังความสุขและความทุกข์รอยยิ้มและกลาบน้ําตาความเข้าใจชีวิตเป็นเรื่องประเสริฐของมนุษย์ศิลปะแห่งการดํารงชีวิตเป็นศิลปะชั้นสูงของมนุษย์ความสามารถดําเนินชีวิตให้ดี เป็นความสามารถอันเลิศของมนุษย์น่าเสียดายที่คนส่วนมากใช้เวลาของชีวิตไปเรียนรู้เรื่องอื่นเสียหมดไม่ได้เรียนรู้และไม่ได้เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตชีวิตจึงหมกอยู่ในความเร่าร้อนทุรนทุรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ธรรมทัดสมาคมจึงนำเอาศิลปะแห่งการดับทุกข์มาเสนอต่อท่านผู้ฟังเพื่อชีวิตของท่าน จะได้พบกับความสุขไม่หมกอยู่กับความเร่าร้อนอีกต่อไปเนื้อหาสาระของเทปชุดนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณนะบัดนี้ b m n t t o n พระธรรมคาสั่งสอนของพระบรมศาสดาเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับไตรลักษณ์คือความทุกข์ความไม่เที่ยงแท้ถาวรและความไร้สาระแก่สารของโลกจึงเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยการพลัดพรากเต็มไปด้วยความผิดหวังซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตของมนุษย์และสรัรพสัตความทุกข์เป็นสิ่งไม่น่ารื่นรมเป็นสิ่งน่าหวาดกลัวเป็นสิ่งน่าขยะกขยง แต่ความทุกข์ก็เป็นความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครหลีกพ้นตราบเท่าที่ยังถูกขังอยู่ในห้องมืดคือพบทั้งสามไม่มีใครชอบความทุกข์ไม่มีใครอยากประสบทุกข์แม้แต่ความทุกข์ก็ไม่อยากได้ยินทุกคนพยายามหนีทุกข์หลบหลีกทุกข์กรบเกลื่อนทุกข์แต่การหลบหลีกกรบเกลื่อนทุกข์หาใช่ทางแก้ทุกข์ไม่เพราะฉะนั้นผู้หลบหลีกทุกข์ จึงกลับไปพบกับความทุกข์รู้สึกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเช่นเดียวกับตัวของเราหนีตัวเองไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะทุกข์อยู่ที่ตัวของเราเองก็เมื่อทุกข์เป็นสิ่งหนีไม่พ้นเราก็ไม่ควรจะกลัวมันแทนที่จะหนีเราควรหันหน้าเข้าหามันจ้องดูมันศึกษาสำรวจมันอย่างถี่ถ้วนจนกระทั่ง เรารู้จักธรรมชาติอันแท้จริงของมันเมื่อใดเรารู้จักทุกขเห็นทุกขเมื่อนั้นก็ชื่อว่าได้เริ่มก้าวขึ้นสู่ทางเดินอันถูกต้องเพื่อไปสู่ความดับทุกได้ในที่สุดความทุก์เป็นความจริงอันประเสริฐประการแรกในอริยสัจธรรมทั้งสี่เป็นประตูแรกสาหรับเปิดประตูแห่งสัจธรรมอื่นๆผู้ใดเป็นทุก ผู้นั้นชื่อว่าเห็นอริยสัตว์และกําลังก้าวเดินไปสู่อริยภูมิอย่างไม่มีวันจะถอยหลังกลับผู้ใดยังไม่เห็นทุกผู้นั้นจะยังหลงเพลิดเพลินอยู่กับชีวิตและโลกจะถูกชาติชรามรณะตามเข็นฆ่าต่อไปอีกนานับด้วยกลับด้วยกันพระบรมศสาสดาทรงเห็นทุกอันมาในรูปของเทวทูตทั้งสข้างต้น คือความแก่ความเจ็บและความตายเกิดความเบื่อหน่ายจึงเสด็จออกบรรพชาทรงบำเพ็ญเพียรจนบรรุโลกุตตรสุขในพระราชวังอีกเนื่องจากความเชื่อมั่นว่าทุกเป็นประตูแรกที่จะก้าวไปสู่อริยภูมิ โลกนี้เต็มไปด้วยภัยอันน่าสะพึงกลัวหลายอย่างแต่คนส่วนมากมองไม่ค่อยจะเห็นจึงติดอยู่ในโลกนี้ในที่สุดก็ต้องตายเพราะภายัยในทุกครั้งภัยดังว่านี้ก็คือชาติภยัยภัยอันคือความเกิดเพราะเราเกิดเราจึงประสบกับภัยอื่นๆความเกิดจึงเป็นต้นต่อของภัยทั้งหลายชะดาภัย ภัยคือความแก่เราทุกคนกำลังเผชิญกับภัยอันใหญ่นี้เมื่อเราชลาคล่ำคล่าลงทุกๆลมหายใจเข้าออกพยาธิภัยภัยคือความเจ็บสังขารร่างกายของคนเต็มไปด้วยโรคนานาช น, นิดแม้จะไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็เจ็บโดยตัวของมันเองถ้าท่านนั่งเกินไปท่านก็จะเจ็บยืนนานเกินไปก็จะเจ็บ เดินนานเกินไปก็เจ็บท่านต้องเปลี่ยนอิริยบทวันละหลายๆครั้งเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆมรณะภัยภัยคือความตายมันเป็นภัยประการสุดท้ายที่ทุกสัตว์พรั่นพลึงวันหนึ่งหนึ่งคือ9ก้าหนึ่งของชีวิตวันหนึ่งผ่านไปเราก็เดินใกล้ความตายเข้าไป9ก้าหนึ่งเพราะว่าชีวิตนี้คือการเดินทาง ไปสู่ความตายผู้ใดเห็นภัยเหล่านี้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นภัยอามนุษย์ทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องการอะไร ท่านค้นพบตัวของท่านแล้วหรือท่านพอใจในความสุขหรือความทุกข์กันเล่าหากท่านพอใจในความสุขฉะนันจึงก่อแต่กรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อันยืดเยื้อเช่นนั้นมนุษย์ทั้งหลายวิ่งไคว้คว้าหาความสุข แต่หาพบไม่เพราะเขาทิ้งความสุขไว้เบื้องหลังเสียแล้วอันหนึ่งความสุขนั้นถูกความพอใจในวัตถุปิดบังเสียแล้วโดยสิ้นเชิงความสุขอยู่ที่จิตใจอันปลอดโปร่งปราศจากอารมณ์รบกวนนี้เองช่างละเอียดปราณีตเบาสบายเสียนีก่กะไรอ่าเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเอย่ยฉันได้พบกับความสุขแล้วนี่คือ ความร่มเย็นแห่งชีวิตอยู่ตรงนี้เองเพราะความหยุดปรารถนาอันเร่าร้อนได้ความสงบเย็นก็โปรยลงชรมชีวิตทันทีอ่าทางหน้าประหลาดเซนีอะไรอยู่ใกล้กว่ามือเอื้อมสิอีกแม้แต่ราชาธิราชผู้มีราชาอาณาจักรมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลก็ไม่อาจจะได้ชมได้ริ้มรสแห่งความสุขนี้ได้ ทางกว้างซึ่งคนนิยมเดินเข้าไปมากนั้นยิ่งเดินไปก็ยิ่งแคบเข้าส่วนทางเล็กซึ่งมีคนเดินน้อยยิ่งเดินไปทางก็ยิ่งกว้างออกทางที่มีคนเดินมากเป็นทางแห่งความวุ่นวายส่วนที่มีคนเดินน้อยเป็นทางแห่งสันติสุขที่ฉันเลือกเดินทางเล็กก็เพราะฉันต้องการสันติสุข สภาพแห่งโรคนี้ก็ทำนองนั้นเหมือนทุ่งกว้างที่โนอยู่ด้วยกองไฟใหญ่มนุษย์ทั้งหลายต่างมีไฟติดตัวอยู่คนละเล็กคนละน้อยเมื่อมารวมกันอยู่ก็กลายเป็นกองไฟใหญ่เมื่อมาลุกพงอยู่ทั่วหลายคนร้องอยู่เสมอว่าร้อนแต่ตราบใดที่เขาไม่ถอนตนออกจากบริเวณกองไฟ เขาจะสงบเย็นไม่ได้เลยมนุษย์ทั้งหลายกระเสือกกระสนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในกองไฟใหญ่นั้นคนเป็นอันมากเมื่อไปในที่ชุมนุมชนใหญ่ๆก็มักจะอุทานออกมาว่าคนมากจริงคนมากจริงก็ตัวเขาเองนั่นแหละเป็นคนหนึ่งที่เพิ่มจำนวนคนให้มากขึ้นอย่างน้อยก็หนึ่งคนคนอื่นๆก็บ่นทำนองนี้เหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนี้จะไปลงโทษเอาใครว่าเป็นสาเหตุแห่งความร้อนยังมีที่สงบเย็นอีกมากซึ่งยังว่างเปล่าอยู่แต่มนุษย์ส่วนใหญ่เห็นสภาวะอย่างนั้นเป็นความต่ำต้อยจึงไม่พอใจเปลื้องตนออกจากเครื่องพันธนาการ ทราบซึ้งจับใจดูฉันไหนเขาก็คนเช่นเราทุกอย่างกายเล็กใหญ่ไม่เห็นตาแต่ใจสี่ใย ห, ห่างกันหนักหนาถึงตตลึงทราบซึ้งแปลกใจ เขาจึงต่างคนทั้งหลายใจเขาซื้อใจเขากล้าท้าทีที่ทำตามใจเลือดคนทามกลางแวดว ง, งลงเกียกรติกมลับยุดสับสน สังคมจมขี้จนปีบปนทนแทบไม่ไหวทึ่งตะลึงที่เขากล้าฝันยืนหยัดยันฟื้นสังคมลมจมนั้นได้ใจเขายน อย่างไรถึงจริงถึงจิง ลงคิดดูเถิดสุนักตัวหนึ่งชอบรอบกัดคนทั้งหลายเจ้าของจึงได้เอากระดิ่งเล็กๆผูกคอมันไว้เพื่อที่จะเตือนคนทั้งหลายให้ได้เห็นและระวังตัวกระดิ่งนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความอัปยศของมันแต่สุนักหาได้รู้ไหมมันกลับเข้าใจว่านั่นคือเครื่องหมายแห่งเกียรติยศจึงเที่ยวเดินชูคออวดสุนัขตัวอื่น มันเอิบอิ่มพอใจอยู่นานแสนนานคนทั้งหลายเห็นแล้วก็รู้แต่ตัวมันไม่รู้จนกระทั่งมันชูคอออกอวดสุนัขเท่าตัวหนึ่งสุนัขเท่าจึงได้เตือนให้มันทราบว่ากระดิ่งนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความดื้อด้านเลวทรามของมันต่างหากหาใช่เครื่องหมายเกียรติยศประการใดไม่มนุษย์เราควรจะดีกว่าสุนัขตัวนั้นคือควรที่จะรู้ให้ลึกซึ้งว่า อะไรเป็นเกียรติยศอะไรเป็นความอัปยศการขาดเสรีภาพหรือการมีเสรีภาพกันเล่าเป็นสิ่งอันพึงปรารถนาของมนุษย์หากเราถูกจองจําในเครื่องพันธนาการต่างๆแม้ในสายตาของโลกจะเห็นเป็นอย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่นําความทุกข์ทรมานมาให้อยู่นั่นเองสิ่งที่คนทั้งหลายพากันหลงไหลยอยู่นั้นมีสิ่งใดบ้าง ที่ให้ความสุขโดยส่วนเดียวสิ่งที่ดื่มดำ่ำรำพันว่าสุขในวันนี้ก็ลงท้ายกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่ายและคลางออกมาว่าเป็นความทุกข์ในวันหน้า เมื่อคำนึงถึงว่าทุกอย่างต้องลงท้ายอย่างนี้มีสิ่งใดบ้างที่ควรเพลิดเพลินหลงไหลจนลืมนึกถึงความทุกข์ที่ล่ายล้อมเข้ามาทุกเวลานาทีเครื่องหมายแห่งเกียรติยศที่ชาวโลกพากันไขว้คว้าหานั้นเมื่อได้มาแล้วก็สวมติดอยู่สำคัญตนไปต่างๆความจริงสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเศษเหล็กเศษผ้าอันหาแก่นสารอันใดไม่ได้ มันเป็นวัตถุแห่งความมัวเมาของคนหลงเมื่อไปหลงเข้าแบบนั้นคุณงามความดีก็กลายเป็นเครื่องมือให้คนผ่านได้โอกาสยกตนข่มผู้อื่นแล้วก็ทำลายความดีความบริสุทธิ์ในตนไปด้วยเหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กกัดเนื้อเหล็กให้กลอนไป จะนำหญ้าและใบไม้ทั้งหมดในชมพูทวีปนี้มารวมกันแล้วผูกเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วสมมุติให้เป็นมารดาบ้างบิดาบ้างของคนผู้หนึ่งหญ้าและใบไม้ก็จะพึงหมดเสียก่อนไม่พอแกจานวนบุคคลผู้หนึ่งที่เคยเกิดมาและท่องเที่ยวอยู่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสังสารวัตนี้ยาวเหลือเกินบุคคลแต่ละคนต้องท่องเที่ยวอยู่เป็นเวลานาน ในระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่นั้นต้องประสบสุขบ้างทุกบ้างแต่ทุกขนั่นแหละมากกว่าสุขเพราะฉะนั้นจึงควรเบื่อหน่ายการเวียนไหวาตายเกิดควรจะรีบประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้สังสารวัตรนั้นสั้นเข้า เมื่อต้องการคุณงามความดีให้แก่ชีวิตก็ต้องดำเนินชีวิตไปตามธรรมต้องประพฤติธรรมเพราะธรรมเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณงามความดีต้องเป็นคนมั่นคงและไว้ใจในธรรมะอะไรคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุติธรรมที่สุดในโลกธรรมะนั่นเองธรรมะยิ่งใหญ่ที่สุด ยุติธรรมที่สุดในโลกใครประพฤติถูกธรรมประพฤติตามธรรมให้เกียรติธรรมยกย่องธรรมบูชาธรรมธรรมะก็จะอาํานวยความสุขให้แก่ผู้นั้นอย่างที่สุดชนิดที่สิ่งอื่นๆหรือบุคคลอื่นไม่สามารถจะให้ได้บุคคลที่ธรรมะโอบอุ้มแล้วคุ้มครองแล้วรักษาแล้วจะไม่มีใครหรืออะไรสามารถทํำลายได้ ความทุกข์ก็เข้าไม่ถึงผู้ประพฤติทุจริคตคดโกงนั่นเองคือผู้ดูถูกธรรมะเหยียบย่ำธรรมะเขาคงนึกอยู่ในใจว่าสิ่งใดการกระทำใดที่ทางาศาสนาสอนว่าผิดไม่ควรทำมีทุกข์เป็นผลสิ่งนั้นการกระทำอันนั้น หามีผลเป็นทุกข์จริงไม่เขาได้แต่หวเระาะเยะธรรมะพร้อมทั้งประพฤติร่วงธรรมตกลงไปในหลุมพรางแห่งอธรมรมคลุกคลีด้วยสิ่งเน่าเหม็นหมักหมมเศร้าหมองนานาประการจนคุ้นกับสิ่งเศร้าหมองนั้นสิ่งเน่าเหม็นต่างๆนั้นบางทีก็มีกลิ่นน้อยกว่าบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นคนเน่าเหม็นนั้นเสียอีกเพราะบุคคลนั้นมีสิ่งเน่าเหม็น รวมอยู่ทุกชนิดคําว่าสิ่งเน่าเหม็นที่กล่าวนี้หมายถึงการทุจริคตคดโกงทุกประการไม่ว่าจะเป็นการคดโกงส่วนบุคลคลคดโกงราชการหรือการหลอกลวงประชาชนก็ตามคนที่มีปกติเหยียบย่ํำทำอยู่เสมอนั้นสักวันหนึ่งก็จะเห็นเองว่าการดูหมิ่นธรรมมีโทษอย่างไรการหมิ่นประมาทส่วนบุคคลเมื่อเรื่องถึงสาร ก็ย่อมมีผู้พิพากษาตัดสินตามควรแก่กรณีแต่การดูหมิ่นธรรมะนั้นจะหาผู้พิพากษาเป็นตัวบุคคลมาตัดสินหรือหาพยานบุคคลมาช่วยเหลือไม่ได้ตนของตนนั่นแหละจะต้องเป็นพยานอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นและผู้ตัดสินก็คือธรรมะนั่นเองท่านลองคิดดูเถิดว่าจะรุนแรงปานใดมีใครพอจะช่วยได้บ้าง ท่านลองนึกดูบุคคลบางคนได้รับความทุกข์ทรมานบางอย่างซึ่งไม่มีใครสามารถจะช่วยได้เลยเพราะเขาไปประพฤติผิด ธ, ธรรมมาก่อนหากเขายังดูหมิ่นธรรมประพฤติผิดคำสั่งของธรรมะอยู่ต่อไปเขาก็จะต้องได้รับความทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นเขาจะรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานก็โดยการกลับใจเสียใหม่กลับมาเคารพธรรมบูชาธรรม แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองผู้ตัดสรู้พระธรรมก็ยังต้องท่งเคารพธรรมการที่พระองค์ส่งเคารพธรรมนั่นแหละทำให้เราทั้งหลายต้องเคารพพระองค์พระองค์ทรงมีธรรมอย่างยิ่งพระธรรมนั่นเองช่วยให้พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะนั่นเองช่วยให้บุคคลบางคนทรงเป็นกระสับ ท, ที่ราษฎรเคารพรักใคร่ ธรรมะอีกนั่นแหละที่ทำให้บุตรเคารพนับถือปฏิบัติบารุงมารดาบิดาและมารดาบิดาก็ต้องอดทนเสียสละเลี้ยงลูกจนเติบโตก็เพราะธรรมะอีกเหมือนกันพ่อแม่ที่ลูกพึ่งได้ก็ตามลูกที่พ่อแม่พึ่งได้ในยามชราก็ตามต้องเป็นพ่อแม่หรือลูกที่มีธรรมะไม่ใช่ลูกที่มีแต่เพียงทรัพย์ หรือมีเกียรติเท่านั้น ส่งกระแสจิตออกไปสำรวจดูเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บและตายทั้งหลายแล้วได้ความรู้สึกเสมือนว่าสัตว์ทั้งหลายถูกขังอยู่ในกรงใหญ่คือบ้านเมืองไม่ผิดกับสัตว์ที่เขาขังไว้ในสวน ส, วสัตว์สำหรับดูเด่นร่างกายและจิตใจของมันห่างไกลจากธรรมชาติที่เคยเกิดอยู่เสมอจึงเต็มไปได้วยความโกรนกระวายดิ้นลน คนทั้งหลายก็ทานองนั้นยิ่งอยู่ในบ้านเมืองใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลธรรมชาติเท่านั้นยิ่งห่างไกลธรรมชาติมากเท่าใดจิตใจของเขาก็ยิ่งโหดเยี่ยมทารุณเห็นแก่ตัวจัดห่างเหินจากธรรมะขาดความเอื้อเฟื้อการุณ อนิจจาสัตว์ทั้งหลายมุ่งแต่ความสุขเฉพาะหน้าเพียงเล็กน้อยและระยะสั้นหารู้ไม่ว่าจะต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมในระยะยาวปานใดเขาไม่รู้เองไม่เห็นเองก็พอทำเนาแต่ผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นบอกแล้วเตือนแล้วก็ไม่เชื่อเสียอีกหาว่าเขาหลอกเหมือนนิทานหลอกเด็ก จะช่วยคนพวกนี้อย่างไรให้พวกเขาได้วางมือจากทุจริคตคดโกงช่อลาดบังหลวงสัตว์ทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของของตนทำไว้อย่างใดก็ได้รับอย่างนั้นใครเล่าจะช่วยได้เมื่อเขาไม่คิดช่วยตัวเองคนอื่นเป็นเพียงช่วยชี้ทางให้เท่านั้น อันว่าบุคคลแบกภาระหนักมาเป็นเวลานานทั้งหนักและเหน็ดเหนื่อยเมื่อวางภาระนั้นเสียได้เพราะหมดหน้าที่หรือเพราะเหตุใดก็ตามย่อมรู้สึกปลอดโปร่งเบาสบายฉันใดการวางภาระคือกิเลสลงได้ก็ฉันนั้นแม้ขันธภาระจะยังเหลืออยู่ก็สักแต่ว่าซากเสมือนเทือเพลิงที่ดับมอดแล้วเหลืออยู่เพียงขี้เท่า ไม่อาจจะจุดให้ติดขึ้นได้อีกต้องมีอะไรดีที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราแม้ในเคราะห์กรรมนั่นเองอย่างน้อยก็เป็นบทเรียนทำให้เราได้เรียนรู้ตนเองว่าเหตุอย่างนี้ก่อให้เกิดผลอย่างนี้ ลผลอย่างนี้มาจากเหตุอย่างนี้อย่างนี้ความรู้อย่างนี้เป็นความรู้อันประเสริฐอันหนึ่งว่าตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรเราพยายามทําความดีให้ดีที่สุดเท่านั้นนี่คือหน้าที่ของเราส่วนอะไรมันจะเกิดแก่ชีวิตของเราหรือไม่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของเหตุอันสลับซับซ้อนซึ่งปัญญาญาณอย่างขนาดเรา ไม่อาจจะค้นพบได้นอกจากพระบรมศาสดาผู้ทรงมีพระสัพพัญยุตยานอย่างลึกซึ้งที่สำคัญก็คือว่าหากเราทำดีที่สุดแล้วเราจะไม่เสียใจเพราะเราไม่อาจติเตียนตัวเราเองได้ว่า ได้ประกอบกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไว้หากมีเรื่องจะต้องเป็นทุกข์เราก็ดับมันได้ด้วยการปลอบใจตนเองในทางที่ถูก เราจะต้องฝึกจิตให้มองเห็นทุกอย่างมีประโยชน์แก่ตัวเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดบางทีพอแก้ไขทันบางทีก็ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยไม่ต้องไปหวาดวันหรือกลัวความกลัวทาให้เกิดความวิตกกังวลความกังวลก่อให้เกิดทุกข์และมันก็ฆ่าเราทีละน้อยเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลมันฆ่าเรา เราจะต้องฆ่ามันเสียก่อนการนอนไม่หลับนั้นไม่ทำให้คนเสียสุขภาพแต่อย่างใดแต่ความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับนั่นต่างหากที่ทำให้คนเป็นโรคเส้นประสาทมานักต่อนักแล้วหากนอนไม่หลับก็ทำงานเสียให้มากๆงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตพอเหนื่อยเข้ามันก็จะหลับไปเองการหลับนั้นแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อน หากนอนไม่หลับก็แสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมคนที่นอนไม่หลับส่วนมากก็คือคนที่ทํางานน้อยยังไม่ถึงเวลาควรจะนอนก็เข้านอนตื่นแล้วร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็อยากนอนต่อไปอีกมันก็ไม่หลับแล้วก็เดือดร้อนเรื่องนอนไม่หลับเข้าไปอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่ คนที่เห็นแก่ตัวนั้นคือคนที่คำนึงถึงแต่ความต้องการของตัวเล็งแต่ความสุขของตัวไม่คำนึงถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นใครจะเดือดร้อนอย่างไรก็ช่างขอให้ตัวเขามีความสุขความพอใจเขาก็ทําส่วนคนเสียสละคือบุคคลที่คำนึงถึงความสุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งยิ่งคนที่ตนรักด้วยแล้วหากเป็นความสุขของคนที่เขารักเขาบูชา เขาก็จะยอมเสียสละความสุขส่วนตัวของเขาให้ได้แม้เขาจะต้องทนทุกข์ก็ขอให้ผู้นั้นมีความสุขเขาก็ยอมอย่างนี้เรียกว่าคนเสียสละเกิดเป็นคน่าเห็นแก่ตนแหละดี ถึงจะมีร่ำรวยสุขสันต์จนหรือมีไม่เป็นที่สำคัญแม้นรักกันพึ่งผ้าอย่าไปตัดไมตรีเกิดมาพึ่งกัน่ิวพันณใช้แบ่งศักดิ์ศรี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 ร่มเย็นพ้นความกังวลถึงวิบัตขิขาดสนผลบุญนำให้สินธรรมมั่นใจไม่ต้องไปกังวลถึงจะมีจะจนเกิดกูศลนโดนใจ บุคคลบางคนแม้จะมีทรัพย์สินมากมายแต่ก็เป็นผู้ที่แล้งน้ำใจเสียจริงๆแม้จะมีกำลังกายมากมายแต่ไม่ยอมสละกำลังกายกำลังสติปัญญาให้แก่ใครเลยส่วนบุคคลบางพวกแม้จะมีทรัพย์สินน้อยมีกำลังกายมีกำลังสติปัญญาน้อยแต่เป็นผู้ที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมไปด้วยน้ำใจแม้บุคคลบางคน จะไม่เห็นความดีของบุคคลประเภทนี้ก็ตามเถิดแต่พระบรมศาสดาของเราส่งยกย่องบุคคลอย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่จนมีทรัพย์ภายในชีวิตของเขาไม่สูญเปล่าเป็นชีวิตที่มีกำไร พระศาสดาทรงเริ่มพระธรรมเทศนาด้วยสัจจะสองอย่างคือความจริงที่คนทั้งหลายเข้าใจหรือนึกว่าเป็นจริงอย่างหนึ่งและความจริงอันเป็นจริงอย่างแท้จริงในตัวของมันเองอย่างหนึ่งความจริงประการแรกอาจเปลี่ยนแปลงแปรผันได้ส่วนความจริงประการหลังย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าบุคคลจะเข้าใจอย่างไรด้วยเหตุนี้คำพูดของคน จึงไม่สามารถบิดเบือนความจริงอันแท้จริงได้ผู้มีปัญญาจึงไม่ควรวิตกกังวลในเสียงดินทาหรือความเข้าใจผิดของคนอื่นควรมุ่งทำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถความจริงย่อมทรงตัวของมันเองอยู่เสมอไม่ขึ้นกับความเข้าใจของคนทั้งหลายผู้มีปัญญาจึงควรทำความจริงให้แจ้ง คือให้แจมแจ้งขึ้นในใจของตนเองว่าอย่างไหนเป็นความจริงเทียมอย่างไหนเป็นความจริงแท้อย่างไหนเป็นความสุขปลอมอย่างไหนเป็นความสุขอันแท้จริง ทางดำเนินชีวิตนั้นมีทางผิดและทางถูกบุคคลผู้มีความดำริผิดเป็นโครจรย่อมดาเนินไปสู่ทางที่ผิดยิ่งเดินไปนานเท่าใดก็ยิ่งไกลจากจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตเท่านั้นส่วนบุคคลที่มีความดาริชอบเป็นโครจรย่อมดาเนินชีวิตไปสู่ทางที่ถูกยิ่งดำเนินไปก็ยิ่งใกล้ต่อความมุ่งหมายอันแท้จริงของชีวิตอะไรเล่า คือจุดหมายของชีวิตจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตก็คือการดับไม่เหลือแห่งกิเลสทางที่จะให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้นก็คือการประพฤติธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงเมื่อโลกและชีวิตถูกชลาและมรณะเบียดเบียนบีบคั้นอยู่เสมือนภูเขาศิลาล้วนกลิ้งบทสัตว์มาทั้ง4ี่ทิศไม่อาจดีเลี้ยงได้ สิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือสมจริยาธรรมจริยาบุญกริยาไม่ควรประมาทเพราะชีวิตนี้น้อยนักไม่ถึงร้อยปีก็จะตายที่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยหรือเกินร้อยก็มีน้อยและจะต้องตายเพราะชะลาเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาพึงประพฤติทำให้มั่นเพราะบุญเท่านั้น ที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปราโลกได้อย่างไรก็ตามบุคคลแม้มีบุญแต่บุญนั้นอาจจะหมดสิ้นได้โอกาสที่จะตกต่ำไปก็มีอยู่จึงควรสั่งสมบุญเพิ่มอยู่เสมอการทำบุญจะได้ผลมากก็ต้องประกอบด้วยเหตุสามประการคื อ, ท, อท่าเทยธรรมและทักขิณยบุคคล หญ้าที่งอกแสมต้นข้าวขึ้นมาย่อมแย่งอาหารของต้นข้าวเป็นศัตรูของต้นข้าวไม่ให้ต้นข้าวเจริญงอกงามเท่าที่ควรฉันใดราคะโทสะและโมหะก็เป็นโทษแก่จิตใจของบุคคลเป็นศัตรูประทุษล้ายจิตใจไม่ให้เจริญผ่องแผ้วเต็มที่การทำบุญในบุคคลผู้ปราศจากราคะโทสะและโมหะ ก็เหมือนการหวานพืชลงในเนื้อนาที่ดีฉันนั้นในการคลองชีวิตคารวะนั้นหากไม่จนได้ก็ดีเพราะทรัพย์ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ในโลกแต่หากจำเป็นจะต้องจนทรัพย์ก็อย่าจนคุณงามความดีเพราะความดีเท่านั้น จะทาให้มีความชุ่มช่ำในหัวใจอยู่เสมอหากจำเป็นจะต้องยากจนก็ให้ครองชีวิตอย่างมีเกียรติคือไม่เกาะใครกินโดยไม่ได้ทําประโยชน์อะไรแก่เขาเป็นการตอบแทนยกเว้นจะพิการจนไม่อาจทําอะไรได้ ดูก่อนท่านผู้พอใจในวิเวกสันติสุขนั้นคู่กับโลกเสมือนอากาศหายใจคนฉลาดนั้นจึงจะพบคนเขาต่อชีวิตหาพบได้ไหมสันติสุขนั้นย่อมเจริญงอกงามในดวงใจที่ไร้ความกังวลเสพเสนาสนะสงัดพอใจในวิเวกไม่ปรารถนาอารมณ์อันยั่วยวนสิ่งที่มนุษย์ได้รับนอกจากลักษณะนี้ แม้เขาจะหลงเข้าใจว่าเป็นสุขแต่มันก็ไม่ใช่ความสุขมันเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่เจือด้วยความหลงเท่านั้นท่านเอ๋ยท่านได้มาถึงต้นทางไปสู่สันติสุขอย่างถาวรแล้วขอท่านจงก้าวต่อไปอย่าถอยหลัง อย่าให้มีอารมณ์ใดมาชักให้ไข้เขวได้เมื่อมนุษย์ทั้งหลายวุ่นวายกันอยู่ท่านเป็นผู้ไม่วุ่นวายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายอาดูนอยู่ท่านเป็นผู้ไม่อาดูนเมื่อมนุษย์ทั้งหลายกำลังโศกเศร้าอยู่ท่านเป็นผู้ไม่โศกเศร้าแล้วนี่คือทางแห่งมุนีผู้ฉลาดท่านจงก้าวต่อไปเถิดการก้าวไปข้างหน้าของท่านช่างประเสริฐแท้การถอยกลับ ไม่ประเสริฐเลยอ่าเราได้รับคำตอบแล้วเราได้รับกำลังใจแล้วนี่คือรางวัลอันประเสริฐเราเป็นผู้มีอัธยาศั ย, ยโน้มไปในทางความสงบสันติสุขนั่นแหละคือรางวัลอันประเสริฐใครคือผู้ประทานให้กับเราเราเองเราเป็นผู้มีใจปราศ จ, จากความกังวลไม่มีกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก ใจของเราประกอบแล้วด้วยอหิงสาธรรมเมื่อเราต้องการพัฒนาให้คนมีเงินมากขึ้นเราต้องการพัฒนาจิตใจของคนควบคู่ไปด้วยเพราะเงินอย่างเดียวนั้นเป็นรากเหงา้าแห่งความชั่วทุกประการคนมีเงินแต่ไม่มีธรรมะประจำใจจะตกหลุมอบายมุกได้ง่ายก่อความยุ่งยากให้แก่สังคมชนิดที่แก้ยากอีกด้วยเงินและความร่ารวย จะมีประโยชน์จริงก็ต่อเมื่อคนนั้นมีธรรมะเท่านั้น หน้าที่มากคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ที่สุดแต่ก็เป็นการยากที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ทุกด้านบางคราวหน้าที่หลายอย่างมาถึงตัวพร้อมกันจะทำพร้อมกันก็ไม่ได้เพราะตัวคนเดียวจึงจาเป็นต้องละทิ้งหน้าที่บางอย่างเพื่อทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งให้สมบูรณ์ในการนี้เราต้องใช้สติปัญญา วิเคราะห์ว่าอะไรคือหน้าที่ที่จำเป็นเร่งด่วนซึ่งจะต้องทำก่อนและอะไรคือความดีอันสูงกว่าหรือสูงสุดวิชาจริยศาสตร์พยายามอย่างเหลือกเกินในการสแสวงหาความจริงที่ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกและการทำหน้าที่เพื่ออะไรแต่ในโลกนี้พฤติกรรมอันใดเล่าที่มนุษย์ จักได้ว่าเป็นของใหม่มนุษย์มีพฤติกรรมซ้ำซากมันดูเป็นของใหม่สำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อโรคใหม่ต่อชีวิตเท่านั้นนักเรียนที่รู้สึกว่าตนได้รับบทเรียนใหม่ก็เพราะเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่อะไรๆก็ดูใหม่ไปหมดสำหรับนักเรียนก็เป็นเช่นนั้นแต่ครูผู้สอนอยู่ประจำชั้นสอนซ้าแล้วซ้าเล่าอยู่นั่นเองนักเรียนบางคน เรียนได้เร็วอย่างน่าชื่นใจแต่นักเรียนบางคนก็ไปได้อย่างเชื่องช้าอ่ดอาดทำบทเรียนผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาอาจจะถูกลงโทษบ้างเพราะไม่รู้จักกราบจำบางคนอาจจะถูกลดชั้นเพราะอ่อนเหลือกเกินในโรงเรียนโลกก็เช่นเดียวกันมนุษย์ผู้ยังไม่จบบทเรียนได้มาสู่โรงเรียนนี้ซ้ำแล้วซ้าอีก เพื่อหาประสบการณ์หาความรู้หาความชำนาญให้แก่ชีวิตทํานองเดียวกับนักเรียนที่ไปโรงเรียนนั่นเองธรรมชาติและธรรมดาแห่งโลกได้สอนมนุษย์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนครูประจำชั้น สอนนักเรียนของเขารุ่นแล้วรุ่นเล่าว่าอะไรควรทาอะไรควรเว้นแต่มนุษย์บางคนและดูเหมือนจะเป็นส่วนมากเสียด้วยมักดื้อดึงชอบทำในสิ่งที่ควรเว้นและเว้นในสิ่งที่ควรทำมิได้เอื้อเฟื้อต่อเสียงเตือนของธรรมชาติและโมโนธรรมของตนเองเลยเมื่อเหลือทนเข้าจริงๆแล้วธรรมชาติก็ลงโทษเสียครั้งหนึ่ง เหมือนมารดาจำใจต้องลงโทษบุตรของตนเพื่อความราบจําในโรงเรียนสามัญยังมีการไล่นักเรียนออกหรือนักเรียนจะลาออกเองก็ได้เมื่อเห็นว่าไม่ไหวจริงๆแล้วแต่ในโรงเรียนโลกจะทําอย่างนั้นไม่ได้นักเรียนโลกจะต้องทนรับบทเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกว่าจะทําได้อย่างดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดมีความเต็มบริบูรณ์ในตัวนั่นแหละ โลกจึงจะยอมให้ออกจากโรงเรียนไปได้ในฐานะที่เรียนสําเร็จแล้วเป็นโล ก, กุตรรชนพ้นจากโลกอยู่เหนือโลกเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างเป็นครูของโลกข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างจริงใจต่อเพื่อนร่วมโรงเรียนร่วมโลกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นเพื่อนร่วมโรงเรียนกระเสือกกระสนไปในวิถีทางต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตแต่แล้วจุดหมายปลายทางของเขาก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นเสียล่ําไปมันจบลงเพื่อจะได้เริ่มแข่งขันกันใหม่ในชุดใหม่เท่านั้นเองความพยายามของมนุษย์เพื่อให้เกิดการกินดีอยู่ดีที่สุดในโลกนี้นั้นมีมากเหลือเกินมากจนกล่าวได้ว่าเขาใช้ชีวิตแทบจะทั้งชีวิตของเขาเพื่อจุดหมายอันนั้นแต่ความอยู่ดีกินดี จะมีไม่ได้เลยถ้ามนุษย์ยังเอาตัวเป็นจุดศูนย์กลางของโลกผลของมันก็คือความเห็นแก่ตัวอย่างเหนียวแน่นอันหนึ่งถ้ามนุษย์ในโลกนี้เอาพลังที่ตนใช้ไปเพื่อบรรลุความประสงค์ทางวัตถุแบ่งมาใช้ เพื่อบรรลุเป้าหมายในทางธรรมเสียสักครั้งหนึ่งโลกของเราก็จะได้รับการส่งตัวที่เหมาะสมยิ่งขึ้นไม่เอียงไปในทางวัตถุอย่างน่ากลัวอันตรายเช่นทุกวันนี้วิกฤตการน้ํามันมีผลกระทบกระเทือนไปทั่วโลกก็เพราะโลกเราสมัยนี้เป็นเครื่องจักรเครื่องกลและเครื่องจักรเครื่องกลนั้นก็มีน้ํามันเป็นอาหารของแพง เพราะต้นทุนการผลิตสูงของบางอย่างขาดตลาดหรือมีไม่พอความต้องการเพราะมนุษย์บางกลุ่มมีความเห็นแก่ตัวอย่างเหนียวแน่นกักตุนไว้เพื่อเล็งผลเลิศในวันหน้าโดยไม่เห็นแก่ความลำบากของผู้อื่นในสภาพการอย่างนี้การประพฤติธรรมของคนทุกฝ่ายจะช่วยสังคมให้รอดพ้นจากความพิการรักสัมภารยได้ตรงกันข้าม ความเห็นแก่ตัวของคนทุกฝ่ายหรือแม้ของคนกลุ่มน้อยซึ่งกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจอยู่ก็จะนาไปสู่ความร่มจมทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและคุณธรรมอันดีของประชาชนในที่สุดคนที่เห็นแก่ตัวอย่างเหนียวนั่นซึ่งกลุ่มอานาจทางเศรษฐกิจอยู่นั่นเองก็จะพังลงด้วยเหมือนต้นไม้ต้องร่มรงเพราะดินถูกทาลายความเห็นแก่ตัว จึงเป็นเครื่องทำลายตนและสังคม สัตว์โลกที่มีความรู้น้อยและความสามารถน้อยมันมีความรู้ความสามารถแต่เพียงหากินและหลบหลีกภัยเฉพาะหน้าแต่ดูเหมือนมันจะมีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งถือตนว่าฉลาดและมีความสามารถเนือสัตว์โลกทั้งมวลเป็นความจริงที่ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนและภาวะอย่างใด ถ้าสามารถพอใจภาวะนั้นได้เขาก็มีความสุขคนยากจนหาเช้ากินค่ำอาจจะมีความสุขเท่ากับมหาเศรษฐีหรือมหาราชาผู้เร่าร้อนอยู่เสมอเพราะความปรารถนาและความทะยานอยากอันไม่รู้จักสิ้นสุดมนุษย์เรามีสติปัญญาฉลาดปานใดก็ตามก็ไร เสียแล้วซึ่งปัญญาในการหาความสุขให้แก่ตนในทางที่ชอบเขาผู้นั้นควรทนงตนว่าฉลาดกว่าสัตว์หรือมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยากความดิ้นรนออกหน้าแล้วก็วิ่งตามเหมือนวิ่งตามเงาของตนเองในเวลาบ่ายยิ่งวิ่งตามก็ดูเหมือนเงาจะห่างตัวออกไปทุกทีทุกคนต้องการและมุ่งมั่นในความสุข แต่ความสุขก็เหมือนเงานั่นเองความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสแสวงหาและมุ่งมองหน้าที่โดยตรงที่มนุษย์ควรทํานั้นก็คือการมองทุกข์ให้เห็นพร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นแล้วทาลายสาเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียโดยไยะดังนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนผู้ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติ ถ้าปราบเสี่ยนน้ำและเรื่องร้ายในประเทศไม่ได้ก็อย่าหวังเลยว่าประเทศชาติจะเจริญและผาสุขหรือเสมือนผู้ปรารถนาความสุขแก่ร่างกายถ้ายังกำจัดโรคในร่างกายไม่ได้ความสุขกายจะมีได้อย่างไรแต่ถ้าร่างกายปราศจากโรคมีอนามัยดีความสุขกายก็จะมีมาเองด้วยประกาศนี้ ปรัชญาเถราวาดจึงได้ให้หลักกับเราไว้ว่ามองทุกข์ให้เห็นจึงเป็นสุขอธิบายได้ว่าเมื่อเห็นทุกกาหนดรู้ทุกและค้นหาสมุดฐานของทุกขและทำลายสาเหตุแห่งทุกนั้นเสียเหมือนหมอทำลายเชื้ออันเป็นสาเหตุแห่งโรคยิ่งทุกข์ลดน้อยลงเท่าไหรความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นความทุกที่ลดลงนั่นเอง คือความสุขเหมือนทศนะทางวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนความเย็นก็คือความร้อนที่ลดลงเมื่อความร้อนลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความเย็นที่สุดทำนองเดียวกันเมื่อความทุกข์ลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความสุขที่สุดขั้นแห่งความสุขนั้นมีถึงตามขั้นแห่งความทุกข์ที่ลดลง คำสอนทางศาสนาเมื่อว่าโดยในยะหนึ่งจึงเป็นเรื่องของศิลปะแห่งการลดทุกข์หรือดับทุกข์นั่นเองมนุษย์ส่วนมากรู้อำนาจแก่ความเป็นปุถุชนของตนดูหมิ่นตนเองว่า ไม่อาจจะก้าวขึ้นสู่ธรรมะได้เขาชอบนึกว่าความสงบเป็นเรื่องของพระภิกษุส่วนพวกเรายังวุ่นวายอยู่เขาเห็นว่าเป็นคารวาดไม่ควรสงบหรือสงบไม่ได้ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมากผู้ยังมีความเห็นเช่นนี้แม้จะแก่โดยอายุเพียงไรก็หาความสงบไม่ได้คงจะตายไปเปล่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษยชาติหนึ่ง แต่ดำรงชีวิตอยู่เหมือนกับดิราชานทั่วไปแม้จะหาความสุขก็หาอย่างดิรกชานที่มันหากันสัตว์ดิราชานบางประเภทมันยังสงบได้กว่าเสียอีก ทุกทางใจเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนจึงต้องมีศิลปะการแก้แนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนทรงแสดงไว้ล้วนแต่เป็นศิลปะแห่งการดับทุก์ทั้งสิ้นพุทธพจน์และคำสอนของผู้รู้ต่างๆเหล่านี้คงจะทำให้ท่านผู้ฟังทราบวิธีการดับทุกข์ได้ดีขึ้นเทพดีมีสาระประเภทนี้ยังมีอีกหลายชุดธรรมทัศสมาคม ขอให้ท่านผู้ฟังจงพบกับทางสงบร่มเย็นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญธรรม